ธ้ามเธยสนาของท่านหลวงตานั้นเอครับผีนายะไรอยูตอนรู้ความเคลื่อนไหวด้วยใจที่ว่ากล่าวตอนที่สองถ้าอย่างนั้ว่าเราพอเรารู้เลยจริงเราคือเวลาเราเรานั่งหรือว่าเราคำนวณจิตตนเองเราทำไมเราคำนวณจิตหมายว่าเราเราดูโมจิของเรานี บางทีว่าเราเรารู้ตัวสิตเราเพลินออกแผงข้างนอกเสร็จปั๊บเนี่ยพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าจิตเรารู้ว่าจิตเราออกแผงนอกเสร็จปั๊เนี่ยเราไม่ต้องปรุงแต่งนี้หมายความว่าไม่ได้เป็นจิตที่มาสวยถูกไหมครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีตัวเสวยที่ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับเาถามที่ดีมากมันเป็นสองขั้นตอน เรปฏิบัติลราต้อแกสองขั้นตอนนี้เนี่ยขั้นตอนที่เราเนี่ยเป็นผู้รู้กับขั้นตอนที่เราเผลอไปเป็นผู้คิดถ้าเราเผลอตัวเราเนี่ยเรา่าดสติเผลอขาดสติปัญญาเผลอเอาตัวเราไปเป็นผู้คิดเราคิดเหมือนเขาอันนี้เราก็จะเป็นผู้รู้แล้วล่ะเป็นผู้คิดอันนี้ไม่ได้อย่างเนี้ยอันนี้มันเข้าไปในภพชาติแล้วเข้าไปในภพชากิเข้าไปในปิติจารมุ่ว่าเข้าไปในเดือบนแล้วเป็นบ้านใจเดือดกั อะไรเขาชาและเพราะว่าหลงก็เป็นส mm ังขารแหละเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะมันสังขารเลยยังไม่รู้ตัวคือเราเนี่ยหลวงก็เป็นสังขารคุณหลวไม่คิดมันเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณอันนี้เกิดวิญญาณเป็นเป็นตัวตนเลยเป็นตัวเป็นส่วนเป็นรูปเป็นร่างพร้อมที่จะตายแล้วก็โยมบาลมันลากไปได้เราก็เป็นผู้รู้ตลอดเวลาอย่าไปเป็นผู้คิดแต่เรารู้สจิตคิดคิดอะไรเราก็รู้หมดแหะรู้มาทั้งวันเลยแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เป็นผู้รู้ คิดก่อนคิดดีทั้งวันคิดดีคิดดีอย่างนี้ไปเป็นผู้คิดไปเป็นผู้รู้ถ้ามาไหลแล้วไปเป็นผู้คิดเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วใช่เป็นผู้คิดเฉยไม่ใช่เป็นสัตวตะวัรู้เพราะว่าเราหลงแล้วนะเราต้องหายหลงก่อนเราหลงไปเป็นผู้คิดแล้วเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมาเป็นผู้รู้พอรู้สึกตัวแล้วก็เป็นผู้รู้จริงไ่คิดอะไรก็ได้แต่สะตวตะวรู้สับว์ตะวรู้เลยไปเพรนั้นจัเป็นผู้รู้แต่ถ้าเราไปคิดไอ้ผู้คิดมันไม่ใช่ผู้รู้เนี่ยผู้คิดมันเป็นสัต เป็นสีปรุงแต่งแต่ผู้รู้มันได้ปรุงแต่งนะผู้รู้มันเป็นที่สังขารไม่ปรุงแต่งเกิดใ้ผู้คิดมันเป็นสังขารผู้รู้มันเป็นที่สังขารมันได้ปุงแต่งเพราะฉะนั้นผู้รู้มันสังขารไม่ได้แต่ไอ้ที่เราเป็นสังขารนู่นอ่ะเราไม่ใช่ผู้รู้แล้วเราต้องแก้ไขให้เรามาเป็นผู้รู้ได้คือให้เราเป็นผู้รู้เราไม่ได้เป็นสู้ทันเมื่อไหร่เราเป็นผู้คิดเราก็เป็นพิเเป็นเป็นภพชาติเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารปรุงแต่งไม่ยังไม่รู้เลยแล้วไก่ปุงแต่งไม่ยังไม่ร สังขารเป็นใจเกิดวิญญาณนึกมันเป็นวิญญาณรู้เปล่เป็นวิญญาณปกติส่วนที่ด่วยไปอย่างเงี้ยเพราะวิญญาณไม่ดับก็สังขารไม่ดับวิญญาณไม่ดับเพราะวสังขารไม่ดับสังขารไม่ดับเพราะอาวิญญาณไม่ดับมันไม่รู้หลงไปลงไปเป็นผู้คิดผู้แต่งออย่างไม่รู้เลยเข้าใจไหมเนี่ยต้องตัวเองอ่ะต้องอ่านที่อีกผ่านว่าผู้รู้เป็นผู้แต่งไม่ได้เป็นคิดฟุงไ่ด้เราทาไมเราคิดุงนู้คิดรุงนี่เออแต่ถ้ามันคิดฟุงแล้วเรารู้ว่ามันคิดอะไรเกิดแต่เน ที่อะไรกันต้มัอยู่นี้ยแหซื่อๆซื่อๆเพราะเราเนี้ยเป็ผู้รู้หนึ่งเนี่แล้วก็เป็นผู้ช้าเราเป็นผู้รู้ไปเลยเราเป็นผู้ช้าเรื่อยไปแต่เมื่อไหร่เราเป็นผู้คิดหลงแล้วเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงเนีเป็นผู้หลงเป็นพะเป็นชาเนี่ยเป็นอวิชชาเป็นอวิชชาเป็นใจเกิดสังขารสังขารเป็นใจเกิดอวิชานามูกเรียญธรรมานทานมหาอุปัสสนมันเป็นูปเลยพบชาทุกโลกเราเห็นใจกบแก้นใจก็เรเหตุอันนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้คิดังไปอยู้ตัวเรากาเลยอยูนู่นเลยอ่ะ เพราะอาวิชาเป็นปใจเกิดสังขารสังหารใจเกิดปิการทีนี้มันไปโดยลาไป็นน้ำพูเบรีย์นะครับตัณหาทีนี้มันเป็นตัณหายาพุทธยาเนี่มันเป็นที่ยาทีนจะเป็นอี่ยาเป็นนี้จนทั้งลาไปถึงคนน่ะคนนี้ที่ยาเป็นนั้นคนนั้นทีอยาเป็นนี้มาเจอรูกอยากให้ลูกเป็นนี้อยากเป็นงั้นสามอย่างนี้ยังไม่กลับทีนี้มันมีเอาวิชาเป็นใจเราหลงไปเป็นตัวปรุงเองแล้วก็เลยเป็นตัณหาจะไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันมี้อาวิชาเป็นใจเกิดสังขารเราหลงไปปรุงแล้วก็เลยเป็นปัญหาตัณหาอุปาานนี้เขยึด คิด be มากหรือมากทุกถานมันไม่เกิดพบพบไม่เกิดฆ่าฆ่ามันไม่เกิดฆราวาสนะหลวงตาเปรี้เทวะพุทธกาลโทนวิทยาศาสตร์คือพุกโศกเศร้าเสียใจครับแขนใจคืออัดครับข้องใจเพราะนี่ไงเราไม่รู้ว่เราพุกโศกเศร้าเสียใจคืออัดครับข้องใจเพราะเหตุอะไรนี่เนี่ยพวกบวชนจะมุ่งเอาจากน์หลวงาตัวเองไป็นตุ้งยังไม่รู้เลยเราการจะเป็นผู้ขุนแต่งไปแล้วไปเป็นสังขารไม่ใช่เป็นอยมสังขารเพราะผู้รู้เปรี้นเทวสังขารไม่ได้เป็นผู้ขุนแต่งแค่แต่รู้ แต่เราเข้าไปคุ้แต่งเองเราเรยส่งทุกทีเข้าใจไหมถ้าเรารู้ว่าเป็นผู้คิดเช่เราคิดการงานนะฮะคิดทงานอยู่จะรู้ว่าเราจะคิดอเราก็คิดคิดโครงการมอรัก็ตามกัน ไอ้ความที่หลงหลงไปคิดพวกแต่งพวกสร้างเนี่ยมันคือไม่รู้ตัวแต่เราคิดด้วยความตั้งใจไปคิดอะไรด้วยความรู้ตัวเนี่ยอันเรียกว่ามันเป็นรู้รู้ว่าเราลังคิดคิดจะมานี่อคิดจะมานี่จะนี่เสร็จจะไปไหนอย่างเนี้ยเราเรารู้ตัวอยู่เราเราตั้งใจคิดเรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรทีนี้เราคิดได้ทัคือเนี่ยเราคิดวางแผนคุณเจ้าเราคิดเจะตีหนึ่งสอนไทยเที่ยงคืนตีสยามสองยามสามยาสุดท้ายสอนไทยสอนนู่น วันนี้เราจะไปสอนใครจะสอนว่าอะไรก็จะถามว่าอะไรแล้วเราจะตอบว่ายังไรมัก็คิดอยงนั้นแหละจิตแต่รู้ตัวถ้าเราคิดอะไรอยู่เรารู้ตัวมันก็เด่นคิดเห็นว่าตัวเรากำลังคิดอะไรอยู่ก็้วมันจะรู้ว่าตัวเรากำลังคิดอยู่คิดคิดคิดเราตั้งใจคิดก็ได้เราเตั้งใจคิดอะไรก็ได้มึงฝังตั้งใจคิดฝังใจคิดฝังใจคิดฝังใจคิดแต่เม่ตั้งใจคิดเรื่องกิเลสนะจะเป็นกิเลสปัญหาแต่เราคิดตั้งใจอะไรก็ได้ขอตั้งใจคิดกิริยาสีมารู้เรารู้ว่าเราตั้งใจคิดมันไม่ได้เห็นความคิดมันจะเห็นว่าาตััวเรลงคิด ไม่เห็ตัวเราคิดเ่ยไปเดียวไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นเรตัวตัวเป็นตัวนี้นะเห็นว่ามันคิดอะไรอยู่จิตันทีลัดอเราเราไม่เห็นตัวจิตหรอกเห็นว่ามันคิดคิดคิดคิดคิดคิดอะไรอยู่จิตเราไ็เลยคิดคิดคิดคิดครากรู้เรื่องนี้หน่ะยราก็ก็ือเอาความคิดเนี่ยเป็นตัวล่อรู้คิดแต่เราตั้งใจยิดเอาความคิดเนี่ยเป็นตัวล่อรู้กเลคิดคิดคิ่รู้อไรเยคิดดกคิดคิดคิดคิดแต่จะไม่คิดอะไรกอะลวกันคิดิดิ มันต้องรู้เยรู้ว่าตัวเราเราคิดต้องคิดได่าง้คือทั้งวันให้อย่างนี้น่ะเอาความคิดเนี่ยเป็นตัวรอดูเอาความคิดอนี่ยเป็นตัวรอดู้เพื่ออะไรเพื่อเราได้รู้ว่านี่คือคิดนี่คือรู้ออมันแยกกันมันนี่มันเหมือนนี่เหมือนกันอ๋อนี่คือคิดนี่คือรู้รู้คิดนี่คือคิดแล้วก็นี่คือรู้คิดแต่เพอเผลอปั๊ไม่ต oh, For ั้งใจคิดอะไรเออยนะเฮ้คิดอะไรไม่เลยเลย เคยคิดอะไรไเรื่อยแล้วอ้าวมัจะรู้ตัวเนี่ยเคยคิดไปตั้งนานแล้วเลยไปแ้กออกเลยว่าไอ้เรียบเคยคิดไปนี่คือหลงทั้หลงตั้งแป้งเลยอันเนี้ยไม่มีแล้วสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีทั้งผู้รู้คือมันหลงทั้แป้งไปเลยคือเคยคิดอะไรไปเรื่อยไม่เหมือนกันนี่เราก็อมามาหลอกตั้งแตคิดคิดทั้งคนทั้งวันเนี่ยเราก็รู้ไปเรื่อยเราก็รู้ว่าตัวเราหลังคิดอะไรแต่เราก็คิดเนี่าง เร า, าคิดเด่ะเราไปรู้ตัวเราเป็นนะอะคิดอะไรเราไปคิดคิดแล้วเราไปรู้ตัวอะไรอ่านี่มันรู้คิดนี่อยนี้เป็นผู้รู้อ่าเผลอค่ดียวแต่เป็นผู้คิดกันละเผลอไปคิดหนึ่งคิดหนึัญหายไปหมดทั้งสิ่งที่ถูกรู้ไปผู้รู้ปัญหายไปหมดแล้วปัญหายไปหมดแล้วไม่รู้แล้วคิดอะไรเพลินไปกว่าจะรู้ตัวว่าเฮ้ยคิดอะไรขนาดแล้วอันนั้นน่ะตอนนั้นน่ะหลงหลงหลงปุพอรู้ตัวตัวขึ้นมาอ่าต่นี้ก็รู้แล้ว พอแยกรู้แลก็แยสภาวะธรรมต่ออันนี้ได้สัดเจนอย่างเนี้ยสบายละก็เป็นผู้รู้ทั้งวันแล้วก็พูดสัตแต่ว่าเรารู้เราทราบสตว์แต่ว่าผู้ซื่อๆมันทับคือทั้งวันอย่างนี้ง่ายละเป็นผู้รู้ไปไม่ได้เป็นผู้คิดต่อใครเป็นกระดาษที่ดีเราพูดเนี่ยคือพูดอย่างง่ายๆพูดอย่าง เราพูดกับคำที่มันเกิดขึน้นแต่จริงๆในจิตไม่ไ็้าาาา ค, คิได้ดีมาตราธรรมบางคนแต่รับมันจริงจริงก็เรายอมรับว่าแยกสองสภาวะเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่หลงไปเป็นผู้คิดจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ง่เพราะอะไรเรา ล, หหลงมันก็ไม่รู้ดีกว่าถึงต้องแตก่ต่างมันแก่ต่าง แล้ตัวหลงก็จะเป็นตัวที่จะช่วยอย่างอย่างที่จะบอกอ๋อ เ, เรารู้แล้วว่าเราหลงไปเอแล้วก็เลยรู้ ว, ว่ากรยี่แกลยาการสภาวะอย่างนั้นนหละที่มันคือเพลยไปเพลหลงอะไรไปไออย่างยี้ไม่ควรดำเนินไม่ควรไม่ควรดาเนินไปเไม่ควรดาเนินเพราะว่ามันหลงเรารู้แล้วว่หลงก็จะต้องไปเดินทางไม่ทังตม่นหลงคิดกับตั้งใจคิดใช่ใช่ใช่ตั้งใจคิดเรารู้ว่าเราตั้งใจคิดมันเนี้ยแล้วเราก็อยู่กับผู้รู้ แต่เอาตัวความคิดแยกเป็นเพียงตัวรอดเป็นเพียงตัวรอดแต่ถ้าหลบเพลินไปเนี่ยมันไม่รู้ตัวแล้วว่าเราตั้งใยิบมันเพลินยิบอะไรนี่เยเราจึงรู้ว่าสภาวะคำของอันเนี่ยมันแตต่างกันฟ้ากับดินมันแตกต่างกันฟ้ากับดินระหว่างหลมกับรู้เนี่ยมันแตกต่างกันฟ้ากับดินแต่กายาการณ์มันไม่สิ่งนี้มันนีดเดียวเหมือนเส่นยาแดงขาดไปแต่ เรื่ยาแแปดเนี่ยระหว่างหลงกับรู้อ่างันว่ากับสิงเขาว่าหลงเนี่ยมันพฤติกรรมมันเคยมันนิสิตมันก็ไปถูพบชาติไปสูความทุกข์โกเศร้าเสียใจทีู่กเรียนไหตายเกิดไปสูกสร้างพบชาติไปถูกเปลนุลกายสัตว์นรกกับเจริาจร์โอ้โหมัปพัในใจมากเลยทางรู้นี่มันมัดสิ้นทุกยังไม่นอนก็ไปสวรรค์แล้วก็ไปตรงแล้วก็ไปถูกพบชาติสิ้นทุกสิ้นเรียนไหวตายเกิดโอ้มันกล คลราคาเองแต่กิจกรรมในทีเนี้มันแตกต่างกันกว่ากับนีถ้าเราสังเกตดูมันไม่เหมือนกันเลยเฟินเฟินเฮ้เฟินเฟิหรือจะพี่เฟินเฟินเฟิน้มาั้งใจึ้ดมาแล้วมาดู้อ้าวมนรู้เนี่ยพวกเพินเป็นย่งนี้อ้ารู้เป็นองี้อ้เพินนี้อ้าเพินเดี๋ยวนึงรู้อีหรอเพินเดี๋ยวนเินทางนี้อย่าไปหรือไปหลงทางไปนรกไปติดติดกับด่างลายไปอะไรเอ้ยเพินจะไปเพินจะไปเพินจะไปเฟินเร่งอยู่เรื่อยเฟินไปไม่ได้ตงเป็นรู้ไห ที่ถ้ารู้มันจะยังิอีกมนไปรู้นะเพราะอะไรอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกคือเพลินกับรู้อ่าตอนนี้เยเลยแล้วเค็เรู้ิระายรู้ก่อนเลยมื่อี้อะไรก็รู้เปีอะไรก็รู้รู้รู้รแต่กดไม่ได้ที่จะเข้าไปที่มอนอีกอนนก็ออนขั้นตอนหนึ่งนะขั้นตอนแรกนะเอ่อจิดอะไรไปแล้วก็ อ่าเคี้รู้อะไรคิดไรรู้มาเนี่ยตัวเราเรามที่รูรู้รู้าตัวเรคิดอ่าเป็นรู้เปรู้อ๋อาการที่รู้ไม่เตือนคิดเป็นยนี้พอมาเป็นรู้เนี่ยพอเป็นรู้มันก็อีกขั้นตอนเคือขั้นตอนที่เกว่ามันไม่ยอมทาใจยอมรับกับสิ่งที่เคยคิในใจรู้อย่างนี้แลอยากให้นะคิดเป็นอยากให้ติดคิดอยากตนะพระใจมากอยากอากยากยากากอยาคิดมัน แต่อยากอะไรดีผมไม่ว่างอยากให้มันว่างเี้ไม่อยากให้มันไม่ว่างผมันเบาอยากให้เบาผมสบายอยากให้สบายผมันไม่สบายอยากให้มันหายไปพอมันดีอยากให้มันพัฒนาอย่างนี้มันให้ซื่อเขาจะลำเทียงไม่เที่ยงตรงเพื่อมันขาจะลำเทียงไม่เที่ยงตรงแล้วก็มาฝึกใจเราให้เที่ยงตรงนั้นเป็นธรรมอี่มันก็บอกเราเป็นธรรมเป็นธรรมเราจะฝึกให้เป็นธรรมแต่เราไม่เป็นธรรมเราก็ หลัเยี like like ่ยนยี่ไม่错错意错个谬错就败就败错个弯错就弯就ว่า弯就坏就坏错ไอ้ที่ตรงข้นไม่错斜斜斜斜เอามอยา่นไปจะเที่ยงตรงเทียงทาได้ไงเราก็ไม่เที่ยทามเพราะว่าทามันเที่ยงตรงคือตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นจืถึงทำแต่เราไม่เที่ยงตรงก็แล้วที่เด็กเราแต่ผู้รู้อะธรรมชาติของศารู้เขาเที่ยงทำเขารู้อย่างซือือย่างตรงไปตรงมาแต่มันสายเป็นเราที่เด็กเราแต่ผมารู้เพราะว่าตัวเราไม่เที่ยงธรรม ทาตัวไหที่เที่ยงทำมันก็ไม่เป็นผู้รู้ที่เป็นพุ้ช้าในธรรมชาติแต่ถ้ามาไห่ตัวเรารู้อย่างเที่ยงทำเนี่ยเราได้การจะเป็นผุ้ธ้าอัตโนมัติเมื่อไหล่ที่เราเราตัวเราเนี่ยรู้อย่างเที่ยงทมตัวเราได้การจะเป็นผุ้ช้าอัตโนมัติดังนั้นมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเพิ่มที่อะไเรื่อเรื่อยมีารมีความทุกข์มีที่กรศนาเพิ่มเรือเรืมาถึงรู้ตัวที่มาทำงานแลก็สร้างเรื่อยสติสรติ แล้วก็มาเห็นนะเป็นผู้รู้เป็นอย่างนี้ยิ่งคิดอะไรก็รู้หมดท่านเคยคิดแล้วมันก็รู้หมดเลยว่าตัวัรหลกท่านเค็คิดอะไรนรู้มันรู้อ๋อสิ่นี้เองรู้รู้กับเพิ่งคิดรู้กับเพิ่คิดไม่เหมือนกันเออตอนนี้มันอยู่กับรู้ไปมันรู้แต่พออยู่กับรู้แล้วมันมาอยู่กับรู้สัตว์วารู้ไปแล้วมันต้องมาผุกผิดขั้นหนึ่งพอมาเป็นรู้แล้วมัต้องตัดว์รู้สัตว์สตววารู้หรือรู้ซึ่งซึ่งขั้นคืออยากเข้าไปแจกแสงอยากเข้าไปยักให้เป็นอย่างไร มันเป็นยังไงกับรู้อย่างที่มันเป็นอะไมันเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเกินอะไรยันตกไปตงมาเราอย่าก็ไปแทรกแต่ต้องมาห้ามแกเองตัดเยตัเองแกเข้าไปแทรกเองพอเราห้าแกตัวเองคนเปให้เตี้ยงถามแล้วเราก็กลายเป็นผู้ถูาทรธาสนองนะมันเป็นการยากมากเลยครับที่ว่ากาทุกข์การไปเช่นเจ็บปวดที่ทุกข์ใจแล้วเราอยากผกฐานบางอยางท อืมเราต้รักษานะตอนเราเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นไรเราไปรักษาเราเจ็บแค่ได้ป่วยเราตินยาแก้ปวดเราไม่ใช่ว่าไปรู้ซื่อแร้บคนไว้อะไรนีไม่ไม่ใช่นะคือเราก็รักษาเออเราก็รักษาเราเจ็บแค่ได้ป่วยเราไรักษาปวดเรากีนยาแก้ปวดต้องตีนยาแก้ปวดอืมแต่ใจนั้นใจข้างในเนี่ยมันก็มันมีอะไรขึ้นเราก็เออเราดูเราสร้างันไปแต่เราก็รักษานะไม่ใช่ไม่รักษา มันมีกิจการอะไรก็แต่รับรู้รับทราบริาการภาในใจไม่มีผู้มันเสอยกายก็ไม่มีผู้มามากลัวกับมันว่ากลัวมันจะแตกระดับกลัจะตายเรากรักษาไปรักษาไปตามเหตุตามปัจจัยให้มันหายเจ็บหายปวดแต่ทำได้หายเจ็บหายปวดก็เรืองปกติคืออะไรรักษาได้แก็รักษาเราไม่ได้ตาองทิ้งใคแต่เราก็รักษาแต่ไม่มีผู้มาเสวยคือผู้มากลัวว่ากายที่จะตายกลัวว่าเขาถึงจะคิดเอานํามาถานจะแตกระดับ ไม่มีผูปวผู้วไม่มีเรียกว่ามีผู้สมุดแต่แต่มีวคือจะรักษาไม่หายก็ตายก็ธรรมดาก็ไม่ได้กบทิ้งไปอซ่อมได้ก็่อมจอมไม่ได้ก็ทิ้งอย่างเงีย่ยงเไหร่ก็ต้องรักษาเลยไม่ต้องกลัวมันหรอกอยาแก้ปวดีเยอะเลาเราดวมากเราทิ้งอยาแก้ปวดทิ้งยาแก้ปวดใกล้กตายจริงแล้ถ้าปวยป่วยวดมาก็อมีมอพิีศษ แต่ใจเ่นั้นเนี่ยไม่ดูถเาเลยคืามปวดโอยพหารเนี่ยอาจารย์เรา่ก็้า่ราถจะายจะปวดทรมานเสียหารอโหารองวต้องเรียกตาหหมอจรเลยเมื่อไหร่หมอจะมารี่ปวดมากทรมานสยหารปวดมากทรมานมากมอีเลยหยุดลเพราะว่ามันปวด ีอสยากไปแ ผ, ผมอยากจะถามว่าคือผมไม่ไม่เข้าใจคําว่าสัพเพเหติก็คือในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้ว่าร่างกานี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นผ้ า, าตาาน้ํธาตุดิน้าตุไฟธาตุลมการรู้อย่างนี้นเป็นความเป็นความที่เป็นความรู้ค เรารเป็นรู้ตัวเราเองดีไอ้เรื่ อ, องนี้ถ้าเราถามยังถามผู้อื่นแสดงว่าเราไม่รู้สิเพราะว่าถ้าเรากินข้าวหยู่ไปกีประเศนี่ยเรารู้เลยว่าเราเรากินข้าวไปหีุแล้วกับเราที่เรายังไม่กินข้าวเลยเยเรามาฟังเมื่อบางคนจะไม่กินข้าขววันวัใช่ไหมเรามาฟังเราพูดไม่กินข้าขววันวันเนี่ยมันหิวอยู่100ร้อยเปอรเ็นต์พูดว่าความหิวเป็นร้อยเปอร์เ็นต์เพราะยักินข้าวทุกคนจะต้องรู้ตัว เ, เองเนี่ยไม่กินข้าว แต่เวลาที่ใครอยู่ที่นี่เห็นเราหิวท้หดเลยหิวหิวที่กินลงซองนั้นมีน้กระต่อยในซองนั้นเพราะว่าหิวมากเลยจากอาจาอาจารย์เห็ากทกินข้าวตอนนี้ก็มีคนเอานักระต่อยเอออะไรมาให้เราในของแล้วเรากินไปแต่เรารู้ว่ามันจะไม่กินอ่ะเพราะว่ามันนักกระต่อยกล่องเดียวอ่ะนักระต่อยเนี่ยมันเรียบเท่ากับ25เปอร์เซ็นของความอิ่เราแต่เราจะกินต่ออีกน่าเปรเ็นแล้วเราจะกินต่ออีกแต่ตอนเนี้ย25เปอร์เซนพออิ่มพอแล้ว เอาโซ่ข่วาวไปแต่กิ้ทองได้ดิบมากเปอร์เซ็นต์ถามว่ากินและดาวจอยไปก่อนหนึ่งและกินไปประมาณที่ห้าเปร์เซ็นต์สมมตินะรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมว่ากินไปบางส่วนแล้วรู้ไหมเช่นเดียวกันเราติตออกจินใจมีความสุขใจเพราะตินความคิดมั่ถึงมันในตัวตนไปแล้วยี่สิบห้าเเซ็นหนึ่งในสิเรามีความสุขใจมีความสุใจมีความรู้สึกเราอตอบได้เห็นได้รู้ตัวเองไม่ต้องถามใคร คะแนนสักรายช่พิธีสักระยชื่อพิธีตั้งแต่โสดาบาันขึ้นไปดิ่นความยึดมั่นหรือมั่นไปยี่สบห้าปรเซ็นหรือหนึ่งในเี่ตอบตัวเองได้เหมือนกับหิวร0อเอร์เซ็นกินนักคาตอนเป็นหนึ่งกล่องไปแล้ว2ี่ิ้าเปอรเซ็นินน้องไปแล้วหนึ่งในสี่อได้ตอบตัวเอได้ว่า ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกออโตเรียนอยู่หรือทิ้งความคิดมั่นถือมั่นไม่เป็นทุกไปแล้วยึดันหเสร็จหรือเราเผลนหลงคิดไปหลงปรุงแต่งไปหลงคิดไปเราะก็เป็นผู้รู้ก็ไม่มาเป็นผู้รู้ว่าเป็นผู้รู้ก็จะยึดให้ทิ้งที่ถกรู้ให้มันเป็นไปอย่างไรอย่างไรที่เราต้องการอยากให้มันจับแต่ว่ารู้อยากให้มันรู้ซื่ออยากให้มันเป็นรู้อยากให้มันเป็นนี่เราไม่มีความอยากในการรู้ ร้อยเปอรนต์ความเพลินใจที่คนที่ฝ่ายหลงเพลินไปแต่พอมาเป็นผู้รู้ก็อยากให้มารู้ซื่อๆอยากให้มารู้เฉยอยากให้มารักแต่มาลูกอยากคิดเป็นนี้อยากเป็นนี้นคิดเป็นนี้อย่างเงี้ความเพลินใจกับความอยากในการรู้เนี่ยพอเป็นผู้รู้แต่มีความอยากเนี่ยเราให้มรออร์เ็ความหลงเพลินใจไปแล้วพอมาสามารถรักแต่มาหับรู้ได้ ความหลงในการเพินใจแล้วก็การที่มารู้แล้ไวไปรูปวายออกมาหมายให้ 25% จากชีวิเรานั่นนงตักัยะที่ดีทิ้งควาง2ึดมันผู่นไปแล้ว 25% นี่3ในบีล้ที่เราจะต้องตึกต่อนั้นเราตอบตัวเองได้ไงตอบตัวเองได้อาจารย์พูดไปส อ, อ น, นไป นูรู <sh ake igi 2> ้ผลยังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรมันหลงคิดมันเบอร์คิดไปกับมาเป็นผู้รู้กับมาเป็นผู้คิดเป็นผู้คิดกับมาเป็นผู้รู้ไม่รู้เรื่องเลยจ้าเนียอย่างนี้ไม่กองกับสัตวะยะที่เดียมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันไม่เิดขึ้นจริงเนยมันก็ได้แต่ถามเอาเนี่ยอแต่ก็ใช่ใช่ก็ได้ก็ได้รู้รู้รู้อยู่แต่กําลังุ้งการให้มันรู้ซื่อรู้ซื่อ มัยังไม่ไปรู้ซื้อคุณก็เราคุณถ่ายได้รู้ตซื้อแต่รู้แด้รู้แด้รู้ตัวลรู้ตัวล่ขาใจละขาใจรรู้แล้วว่าไม่อยากไม่อยากอะไร่อสบายละสบายละสบายลไม่ตอไปคิดว่าจีกเปอร์เซ็นต์อะไเงี้ยเมื่อคิดว่าได้จีกเปอรเได้รถจ้าอะไรนี้นไม่ต้องไปคิดเลยเป็นสบายละเกี่ยววะาทันทัทถ้าเราไม่ออกมาทันทันทันทันทันแน่นอนต่ายทันแน่นอนรู้ตัวซื้อทันแน่นอนทันแน่นอน ไม่สมัครนะเพราะการงันก็ว่าเห็นงทางนี้เลยนะครับผมไอ้กาเลี้งานใช่ไหมขารเลียทางเนาะอีกทั้อีกอย่างหนึ่งคือรู้ซื้อซื้อรเปอร์เซนจบเลยจบเลยจบเลยครับจบเลยอันนี้สายอันนสายโอเคไหพราเราเขจบเลยนะเห็นะางก็เข้ามากแล้วเาะก็เข้ามากแล้วไอ้ทางผู้ จะลำลายนำลายไปไม่ถูกเลยเนี่ยเหมือนกับเจริญฐานเราจะาของสวรรค์แล้วมาเดี๋ยวพรสวรรค์มาที่เนี่ยถ้าไม่รู้ทางเลยมาไม่ถูกอ่ะใสยกด G P S มาออกด G P S มาเลื่อนในรถอ่ะกดตายโยงก็กดกด G P S มาแล้วก็ถามตันโอบอกทางมาด้วยแล้วกด G P S มาอ่างเงี้ยก็รังว่ายากมาพรสวรรค์เราจะรับพันทองเจน่ารัพันทองไม่ชน้าตาดีมานี่ก็บอกทางไม่ดีเลยอย่ามารอกตาดีมาพตุงโง่อะไรเงี้ยมาเลื่อนเทอร์ลุกรีมา เออโอ้โหเขาถึงกูรี่ได้กวาสิงบุรี่มาแล้วกูรี่มันไล่กวางท่านมั่นหลังนี้สบายคอป้ายยันต์ตันสีเอชกวางน่ะหลังนี้สีเจะเสียงกันจะมีทุกคนบอกกันว่าสีเจะเสียงกันน่ะเออแต่พอเดินทางมาใกล้ระยะทางแล้วมันเริ่มรู้แล้วว่าเข้าทางเข้าทางมามันปุีนแน่ป้ายแล้วแล้วปุ่รแปุ่มันยังไงมาปุ่นแนป้ายแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าเข้าทางแล้วโอถ้าเกิดสีเก็บอกคนก็บอกแล้วปุ่มันไปทางไหนแล้วปุ่มันไปทางไหนเนี่ยมันยังไม่เข้าทางเลยเร ละัะเาสนสอนะัยานละขึ้นร้นรบนปรถนรบสมาลกัานทีี่ที่มาะว่าสาก้อไม่มีิบก้อใช่ไหมนั่นก็เี้ยงเลียงจักราิี่ ก็ดิจิติจิตจ๋าคนนั้นหลงมากดิจิตจิากัอย่างเงี้ยเขาไเห็นทางแล้วแต่คนเห็นาก็ตกหลัอยู่นั่นีหยะแต่คนเดียวไม่ทางแล้วเออมายวมายาเอเดี๋ยวต้องลาออกจากที่นั่แล้วออขอดีเวลากุดหน่ออะฮะแต่ไอย่างไรจะทาได้แล้วแต่ก็ใจแล้วที่ฟังเนี่ยถ้ารู้แหละจะรู้จังหวะไอ้ดิจิตจิาวังแล้วไม่ดูเลยอาจารย์พูดมาตั้งนานไม่รูเรื่องเลยตอบจริงๆตอบจริงๆบางคนมาเข้าสาวเราเลยก่อนตาย อาจารย์อพพขอสารภาพกาจารทุกสมที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยต่อบจริงเลยว่าไม่รู้เรื่องเลยที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดร้องไห้ร้องไห้ด้วยไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็เห็นเวลามาปฏิบัติทางก็เห็นร้องไห้คิดถึงเออเขาพหลานเนี่ยเป็นห่วงหลานแล้วก็ร้องไห้เนี่ยเราก็บอกไอ้เห็นนเี้ย แล้ร้องไห้อย่ังไม่เห็นเลยว่าสิตปันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรรบกวนไปคิดรบกวนไปอารมณ์จะร้องไห้ทางสาวานย์ก็ได้มันไม่ได้คิดเลยมันร้องไห้กันมาเลยมันไม่ได้คิดสักทีนี่นะร้องไห้กันไม่ได้คิดเนลยนะมันไม่เห็นเลยมันร้องไห้เลยนะบอกว่ามันร้องไห้เลยมันไม่เคยคิดอะไรสักคำเลยมันร้องไห้กันมาเลยเอ้าแล้วไม่คิดถึงหลายแล้วมันจะร้องไห้ได้ยังไงไม่เห็นเลยอาจารย์ไม่เห็นราสารภาพว่าอาจารย์เรื่องการสอนมันมัไม่รู้เรื่องเลย อย่างนี้เรีกว่าวิจิตรจารึกมัน ส, สนงไสไัยสงสัยไปตลอดแหละมันไม่รู้ทางเลยละมันมันพูดก็ไม่มันไม่เล่าเลาเลยพูดแล้วมันก็ไม่เล่าเล่าเลยว่าลูกบุรีมันมาทางไหนวะไม่เล่าเลยไอ้อยเาี้มันก็วิกิตรจารึกท่สิ้นมันไม่สิ้สงสัยละเพราะว่ามันได้เริ่มต้นเลยมันมองเอกสางเออก็ามองเห็นางแล้ว ม, ล ม, มั่นใจละมั่นใจวิกิตรจาได้ดับไหนเห็เนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยความความเดียให้เป็นอย่งนั้น มันไม่สงสัยนะไม่ได้ทำไปทําไปไม่จะปลูกรู้สถาวเนี่ยทาไปทําไปนผู้ก่อใจเราทำไปที่มันจะมีวิธีทได้ยังไงมันไปทำไปเม่อจะตรงตามที่ต่อพุกหรือเปล่าเนี่ยถทำไปทำไปสงสัยรู้นั่นแหละเนี่มันไม่สึ้นแล้ว่ามันจะไปรู้ทานจริงๆก็เหมือนจะจะมาลูกบอลยมันจะไม่ตั้งต้นเลยช่วยมันจะไม่เห็นป้ายเลยเป็นยังไงเรืออะไรอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นมันก็วิจิตรจารอยู่นั่นแหละ พระพิธีธรรมะมีระลับประมาณางทางเขาบอกว่าสีห <Fo> ้าพันางก็บอกว่าไม่ให้ไปยึดข้อข้องสิบัติข้ออะไรของพระพิีหรือให้ไปเชื่อโดยจริงจัีไม่ช่วยได้อย่งนี้พระหมดแพร่ก็จะเจ้าสอนเนี่ย มุ่งหมายให้ให้เข้าถึงใจทุกเจ้าไม่ไมุ่งหมายใ้เข้าถึงอะไรเลยให้เข้าถึงใจที่คนทุกปัญนาให้ทุกท่านคนจักทุกอย่างน้อยคนทุกคนที่ที่ภาพก็จะรื่นในสีเขาก็พอใจแล้วประเด็นก็ตามมาแล้วมันทุกอย่างมันเข้าถึงใจแใจที่เข้าใจปล่อยปล่อยวางจะได้จะได้ที่ภาพเป็นระดับแรกเพราะฉะนก็ต้องเข้าถึงใจสีเข้าถึงใจยังไงก็ต้องเห็นว่า การคิดการพูดการกระทำของเราเนี่ยเราไปทาอะไรเทาแล้วทำให้จิตใจเราเนี่ยมันต้องเจ้าหมองมันต้องนขนกับใจที่เ้าหมอต้องมากังวลต้องมาเป็นทุกข์ต้องมาวิตกกังวลมันเป็นสาริ่งพูเป็นการิโพูดในากังวลแทนที่จะรู้หนทางแล้วจะเดินเดเดเดเดมุกับไมเรื่งวิ่งมาหน่อยลุล่อิ่งมหน่อยเครื่องเสียวิ่งมาหน่อยแล้วแทนที่จะรู้ทางแล้วถึงก็ไม่้แล้วก็ถึงเลยวิ่งมาเราแข่แข็กแกแข่งเียน่าจิ วิ่งไม่ลอยไอ้ลกระดาษไอ้ดีกระดูดไอ้ดิกระดูดเมื่อตำรวนกับใอ้เมื่อกี้รลของเามามาแตนอนเม่วานเนี well ้ยโยมก็เอาขัตอถไปขัวรถดูน้ามาแล้วไมบอกเราแล้วโยมเขาก็บอกว่าเราไม่บอกโยมเาว่าวันนี้จะมาเดินทางไกลแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาไปดูน้ามารถเนี่ยปะทำไมรถมันดีๆมันวิ่งเหมือนเครื่องเครื่องสูบน้าเลยไม่จะถึงไม้ะเนี่อบกันหนาวซะก่อน จะเอารไปจอดซอบที่นครสวรรค์หรือว่าปู่ก็ยั่ไเปิดเพราะว่าขาบรถมาจากนครวรรค์จพุ่งจะถึงหกโมงเลนครวงเช้าเจ็ดโมงกมงกว่าปู่ไม่เปิดจะทำยังไงจะโอ้จะถึงมเยี่ยมหรือไม่นี่นแหถึงไม่ถึงไม่ถึงร่มเี่มไมไมถึงร่เยียมมีปู่ไหมมีมีมีอย่างเงี้ยมันเป็นสิโงพูมันเป็นสิ่พูดถ้าเขาจะรู้ทางแล้วเนี่ยแต่เราจะสิ่งพูดไปก่านขงวลมันก็งนกับเจ้าที่ไม่เป็นศารอเจ้าที่ไม่ให้สั่ง ทิ้งอะไรก็ตามที่มันต้องมาเป็นเครื่องกังวลในใจมันทําให้เป็นเครื่องที่ทําให้ ใ, ใจเศร้าหมองเนี่ยอไปแตกมันอย่าไปยุบมันอย่าไุ่วายกับมันใจมันจะได้เดินทางเดียวแน่วปุ้งใส่แล้วก็มากังวลกับความผิดสีผิดธรรมนี่ถ้าเราไปทำผิดสีผีดธรรมมาเฮ้ยมันตกังวลไปเลยเนี่ยกังวลเช่นพูดไประวังปากยีนอยู่นี่กพูดว่าเขาเท่าแไรแล้วก็มากังวล แต่ที่มันจะปฏิบัตริรู้ดื้อๆมันไม่แล้วจิตมันจะไปแ่กังวลกังวลกังวลว่าเขาจะกลับมาดา่าเราไอ้ที่พูดไปเขาจะเป็นฟ้องคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราไปบอกเขาแล้วว่ามีสิ่งแฉที่ไปต่างเคอย่าไปบอกคนอื่นนะแฉที่ไปต่างเป็อย่าไปบอกคนอื่นนะอย่างเนี้ยแต่พอแล้วมันเป็นปฏิโัติกังวลเขาจะไปบอกคนอื่นหรือเนล่ยเนี่ยยั้คนรู้มนจะาด่าเราอีกแทนที่จะมารู้ดื้อ ๆ, ๆมันไม่ ติดมันก็แตกคุณบ้านมันจะเรื่องคืนคิดไปแต่เรื่องมันต้องคืนยุ่งแตไอ้เรื่องนี้ไม่สบายใจเลยมันเลยปฏิบัติไม่ได้ที่ไนมันเรื่อทบอกว่าอือหายใจดีอย่าไปผิดสิทธิธรรมไปผิดเข้าทำกายาาวาจาใจปุบมันก็ออกไปเป็นการพูดการสะท้านแล้วเส็จแล้วกัเป็นกังวลจะเป็นโทษไปทําอะไรเข้าๆไปผิดอะไรเข้าๆมันก็กลับมาย้อนมาทำให้เราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกังวลมันเป็นกังวล ไปทาบัญชก็ก็เป็นของวลเรเป็นกังบลอย่างเงี้ยพระเจ้าให้ตัดผลนโ่ยเือพิพทวทิ้งไปเดี๋ยวจะเออรู้ทางแล้ววิจิตจาก็ไม่มีรู้ทางแล้วเพื่อกังใจต้องีนี่มันแน่วอย่างเดียวปฏิบัติอ่ะมันก็ได้เห็นเพียงเดียวว่าหลงคิดไปไหมหรือว่ารู wow. ้คิดรู้จิตหรือว่าหลงเป็นจิตที่ปุงแต่งหรือว่ารู้จิตที่ปรุงแต่งแล้วพอมนรู้เสร็จแล้วก็ตัดตะวันลูปไหมล่ะเออตะกันปิปักษไปเรื่อยตรงแค่นี้อ่ะสองอย่างแค่นี้ไงหลงไหมไม่หลงแล้วพอเป็นลูี้ย มาเราแน่วอยู่เนี้ยแเรียกวเรียมันก็ตัดหรือโดตรต้องเว้นข้อมันก็จะเรียบข้อสามเนี้ยคือเรื่องเรื่องที่ว่าหน้าก้าวหน้าข้อแต่เราก็จะไปสัมผัสเชื่อสาชื่สีในจะเอาตรงจะไม่ ใหม่ๆเขายังไม่เห็นพันเลยอะไรข้าวจไปอยางนันแหละลบไปกกับว่าเจตุดาปีศาจนางไม้ไสเล่นพัดเครื่องเล่นเครื่องร่างของขันอะไรนะเก็ไปอย่างนั้นแหละมันก็จะทาให้เนื่อนชาตังอาจจะไม่ได้ถึงขวางกล้งเลยอาจจะไม่ได้ถึงขวางกันเพราะว่าจากประสบการณ์เมื่อก่อนที่เราเป็นเขาว่าเราก็สสมพักเครื่องเครื่องร่างของขาง ชอบวิชาบูอยู่ตรงกับฝันจริไม่เข้าจีไม่ออกฝันไม่เข้าเลยคนจอบเรียนวิชาพวกนี้ตอนหลังมาเนี่ยสกสมมากขึ้นสะสมอะไรหนึางสวันหนึ่งคันมีความทุกแล้วก็มองเห็นว่านี่เรา้องมาเพิ่องที่คอเองดีแข็งแรงเต็มอพอเลยนี่เราบอกตา ม, งนนามาาวงแต่ไม่ต้องกล้าก็มีผิดตวังที่คอก็มีตั้งเก้าองเจ็บกระเป๋าอีกกระหังบ า, างคนเสียเแ้วอีก แล้วนี่เราน่านอยู่ในห้องพระเขาพุทธรูปเต็มเลยราคาแพงแพงพระเครื่องเต็มหมดเลยในสุสานแต่ทำไมความทุกข์มันแทงเข้าตินใจท่านนี้ตกตะลึงเลยอะ่ะนี่มันแพงเนะความทุกข์แทงตาแหน่งลาบยอมแทงสุกสานรสมวนแทงบ้านแพงทุกอย่างแาทงพระเครื่องแพงพระพุกธรูปทแทงห้องพระพุทถีจะแพงเพื่องพระแทงใจเลยแพงทุกสิ่งใจเลยมีความทุกข์มาเกเจ็บปวดใจมากตกตะลึงเลยว่า สิ่งที่เรามีมาทั้งหมดสิ่งที่เราหามมาทั้งหมดในชีวิตม่ใช่เครื่องกันงคุไม่ใช่เครื่องกันงควสุขรับต่นัลงไปพ่อหมดเมื่อองการตัดใจหรือลาเลกตำแหน่งสึงแล้วเถิตับดินเงินทองพับเรื่องถออกเรียงเลยแล้พ่อเหลือเนี่ยอเายังยอย่างี้แล้วเขาตายไปยังยไม่เหลืคงคนเโอ้ยพอนองเ้า เอาใจเราดีกว่าเก็บผลก็เก็บผลไปผลตีก็ตเขาส่อให้ก็ผลิตแต่ไม่ได้ผลานั่นเป็นอาหานท่เป็นอาหลานแต่เราไม่พ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นอาหลานหลายท่านพอแล้วข้าเป็นหมดไหบางท่านก็ยังเหลืออยู่น้อยทีดหน่อแต่สำคัญที่สุดหายก็พ้นหายไม่พ้นแต่เราไม่พ้น กำคัญที่สุดเอาตัวเราไว้ผมไม่ยู่เพื่อใคมองตัวเรามองใจเราที่เขาไม่ฟังเราเพราะว่าเรายังไม่รู้ เรายังไม่เป็นผู้รู้ก็าคิดไม่ฟังเราเราต้องฝึกตัวเราให้เป็นผู้รู้กขาถือวิจะฟณ์เราถ้าเรายังไม่เป็นผู้รู้เขามาฟังเราเขาก็รู้ว่าเราไม่เป็นผู้รู้เขาไม่อยากฟังเราถ้าเรายังไม่เป็นผู้รู้เราก็ไม่เป็นผู้สงบแล้วนะถึงเมื่อเรายังไม่เป็นผู้สงบแล้วนะเราจะเป็นผู้เล่า้อนเราจะเป็นผู้ฟุ้ง ถ้าเราสอนผูอื่นให้ไม่คู้เราจะเป็นผู้เราล้อเราสอนผูอื่นให้ไม่รู้เราจะเป็นผู้สนใจสนใจกับสิ่งแต่เราไปสอนผู้อื่นให้ไม่สนใจคือเราก็ลราเป็นแต่เราไปสอนผู้อื่นให้เป็นมันก็เลยไม่ีใครฟังเราอย่างนี้ท้องที่สุดต้องสุดตัวเราให้ไม่เป็นแล้วเราก็เล่ า, ต, ต, าลตัวเราให้เขาฟาง คนเขาจะฟังไม่ฟังไปเรื่อยที่เราพูดที่เราพูดจะประสบการณ์ตรงของเราทวันไทก็เอาไปอาจะเอาปรับปุงช่วงด้วยเองด้วยด้วยเพื่อจะมีปัญาต่าเสื่อมง่านอาจจะเหนอกาเราด้วยซิคือไม่ต้อันำอย่เราที่อยากอยากกับก้อนหน่อยเขาอาจจะฉลาดกว่าเรามีคุบประีมากกว่าเราอันนีเป็นความสามารถุณประโยของนแต่เขาเราเนี่ยเราแต่ประสบการณ์ของเราเี่ยม่ยมีเมดีดีเย่่เี่ี่ นี่ก็คือบรรยากาศอือภานาารักมากพอเราพัันได้จิเยุติเย็มากมากพอการคนที่ประสบการณ์เพราะบอกพูดจากประสบการณ์จริงของเราพูดจากตัวสิ่งที่เราทําไปจริงไม่ได้พูดจากความจำไม่ได้พูดจากความจำพูดจากความจริงเห็นจริงรู้จริงเป็นจริงเห็นจริงรู้จริงเป็นจริงเราพูดจากสิ่งที่เราคุ้นมานานเราพูดจากสิ่งที่เรารู้สึกมาตั้งยี่สิบปี เราเห็นเรารู้เราเห็นคนอื่นเขาไปลงเห็นตัวเองด้วยเราจะรู้อะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเราพูดจะผิดกเราอที่เพคิดไปเรากเห็นไอ้ที่มาเป็นผู้รู้แล้วก็วไล่ไล่ไล่ไล่ไลให้ังเปล่าเราก็เห็นไอ้ที่มาเรู้แล้วก็อยากให้เป็นคนคนเป็นี้อยากเป่นแค่เป็นแค่เป็นนี้เราก็เห็นรู้แล้วเอาแต่ความว่างไม่เอาความรู้เลยจากว่างอย่างเดียวจากความรู้สึกว่างเวราไมเห็นมาเยอะ ไอ้เนี่ยเปประสบการณ์จริงที่เราพูดต้อเรียนรู้เยอะมากที่ผิดพลาดแบบเนี้ยที่หลงแบบเนี้ยอะไร่เี้ยเราจะพูดจากความเอาจริงที่เราเนี่ยปฏิบัติจริงหรือจริงหรือจริงเรียนปฏิบัติที่ตัวเราเน่ั่นแหละเรียกว่าเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นถ้าเราไว้ปฏิบัติตัวเราดู้้จริงจริงเป็นจริงที่ความสนอเรื่องเดียกันเป็จริงเท่ากับไม่เมตตาตวและเมตตาผู้อื่นถ้าเราเจอเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นต้องปฏิบัติตัวเราดู้้จริงจริง ะบบจตทุกีแล้วเราเ็เมตตาตนเท่ากับเมตตาผู้อืด้วยเพราะว่ามามผู้ค่ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อ้อืซึ่งจะมองผู้อื่นก็เขาเป็นอย่างไรจะมองว่าตัวเราว่าเป็นอย่างไรในที่จีตทุกคนซึ่งจะมองก็คือให้มองตัวเราว่าเป็นย่งไจะเป็นห่วก็คือมองตัวเราเองมากๆมองตัวเองก็คือนี่เตั้นาตัวเอง เล่นแข่งแขงทานลองแข่งทานก็จังอย่างนี้รอจะตายก่อนเห็นตาก็ีึกจังอย่างนี้รอจะตายก่อนเออเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ๋ยวเดวเดี๋ยวนจะเดี <PP cream> ๋ยวเดี๋ยวนจะตายแล้วเฮ้ยทานก็ลึกจังารแข่ทานนั่นแหลดีมากที่ทามังสานานกจานี้ทำมันตานานกจาวนี้เห็นทานเลยแข่านนั่แบบที่ทามันสานานกจานี้ไม่ใช่เราไม่กล้าเพราะว พุทธังตระนักกระจานี้ทำมังตรนักกระจำนี้สังเงานะอนวอลองูทอนาที่จีนปูนสายอ่อนบอนต้องอ่อนวอนนี่นี่เราพุทธังตนักกระมังตนักกระจานี้พุทธังตนักกระจอะไรที่เราตั้งใจมันได้ไหมวะเราจะต้องฝึกกให้ได้ก่อที่เไว้ใจอย่างไรก็ต้องสู้กับัตวน่าแผ่นดินได้กดหน้าก็ยอมแพ้จะต้องทิ้งกิเลสิ้งทุกข์ให้ได้ มันไม่ชิก็ถือว่าเราสู้จนกิดความสามาของเราแล้วจนกว่าวินีสุดท้ายที่เราพ <ante S 1> ิช no so ิตเราไม่ใจเราก็ภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นนักสู้จเราสู้จนสุดท้ายสู้จนไม่ใจสุดท้ายเสู้กันจนเรียกว่าสุกทันสนานการจัดพิธีทำงานสนานการจัดพิกเส็นทางเนี่ยเห็นทางแล้วกลเดินทางตามมัดมักัรกองที่เจ้าเินทางตามวัดสุภวิรุเนี่ยน่แหละทำางานประจํา ส, สังการสานกริย์นี่เยียนก็เนี่ยรู้หมดแล้วหรืไ่รู้้จะไม่เยี่ยนก็เยีนเยว่านี่านีกว่นี้เยอะานี้ก่ียอก่นจะาด้ก่อนนวี้มันไม่เป็นสังการสานากษริยสังการสานาษริที่สุดเอมี่สุดความตังใจสติสติมนพสัเออสติสมันพิัรู้ที่ันี่เน่มั่งอย <im> stake, ู่ตลอดเวลามันควรไปกบรู้มันหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้มันรู้แล้วก็เข้าไปยุ่งแบบสิบมิตรรู้ อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นมันเป็นองนั้นอยากอย่างนี้ก็รู้ถ้ารู้ไปอยู่นี่แค่นั้นรู้รู้อย่าเข้าไปยึดก็รู้รู้อ่ะก็ฝึกมันจะทันรู้ซึ้ๆก็จะไปรู้มัก็เป็นทุกขะตึด้วยต้องฝึกฝึกอย่างหนักด้วยฝึกตลอดเวลาเร่องนี้ใครได้มาเพราฟังเราจะต้องไปทาต้องฝึกตัวเองอย่างบพระพุทเจ้าฝึกอย่างหนักถึงหกปีพระอรหันหลายรูปฝึกตลอดชีวิตฝึกฝึกฝึกอย่างหนัก เห็นทางแล้วยังต้องสึกไอ้ที่ไม่เห็นทางที่จะต้องไปเห็นทาง<ม>ช่วยด้วเองนะราะพระพจ้าว่าอย่าเชื่อคนอื่นอย่ามัวยึดมดันถือมากนอย่าเอาพสุทธเจไปดิ้นรนอย่าเอาพระพุทธเจ้าไปนอกไปดิขน้นอย่าเอาสงไปนอกไปดิขึ้นอย่าเอาครูบาอาจารย์ไปดิ้นอย่าาวัด สถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งจงเป็นที่พึ่งของคนเหยียดได้เป็นที่พึ่งของคเหยไยดได้ให้เป็นผู้รู้ได้ให้เป็นผู้พักได้จงเป็นที่พึ่งแก่คนเหยียเป็นผุ้พัได้ยาพื้นอีกเป็นที่พึ่งที่เราพูดไัอย่าเชื่อเพราะว่าเชื่อแล้วไม่ปฏิบัติเลยพเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่ไม่ทำ ฟัคือเราก็อย่าเชื่อแล้วก็อย่าไม่เชื่อเลยทันทีคือไม่เชื่อเลยไม่เื่อเลยสักอยารไม่ทาเชื่อหมดเเชื่อไม่ทาไม่ใช่แลยทุกสิ่ทุอางไมทกับสบายใจนะไม่ทำไม่ใช่นะต้องเล่นเอาไปปฏิบัติให้ตัวของตัวเองมันรู้ได้เองตัวเองเกิดตัวเองว่าเราเนี่ยเดินทางไปแล้วกี่ส่วนสี่ส่วนเดินไปแล้วกี่ส่วนเดินทางมัดไปแล้วกี่ส่วนได้กีส่วน เราเรีนไปล้วจีนเั่แหวเป็นที่สุดของตัวเองลำไส้เราไปได้จีนเสวอก็เริ่มไปจีที่สุดแล้วก็ยังไปเรื่อ้ตันที่สไปจีนที่สุวสุดของมันแล้วอย่าไปพอากแค่แค่สือใจสุดนย่าพอใจแค่ีพอแล้วพอแล้วส่งนพอแล้วอะไรไปจนจะที่สุดแล้อเจ้าเหมาจะที่ลงในใจจะดีกดหน้าเมื่อไหร่จะมีกดหน้าท่านก็ว่าจบแล้วคือหมดโอ่คสู้จนถึงีสุดนะไม่ที่สุดแค่วหน ต้องสู to, ้มาเจอปีกจุดะจีบจุดจีตเน็่ยแหละนะต้องสู้กันก่อนตัวงอาเซียกินซื้อจะหวังสู้กันถง้ประเตี๋วเมื่อพูดะเหี๋อวได้แล้วที่พระเจ้าแผ่นดินวเป็นทุดตะเกียงให้แก่ต่เองเมื่อพูดตะเกียของประเดี๋ยวไ้แล้วตะเกียงหงดวงนั้นก็จะที่ตเกียงในปีเตอรหลายไม่ร้่วยเหลือเทอจาิบุลย์ยุบงาทกระการกัระกตด้งๆใหการแต่เป็นต่างไมให้เา เท็บกวดาบสวดสามารถผลัดเท้าได้นุษยเก็ป่าทําได้ผลิตความเงียเป็นเกวดาบสวดผลิตความเงียัดเท้าได้แม่ตะเกียบของเราดวงเดียวที่เราปลิบัได้เราช่วยคุณตะเกียบให้สว่างให้ทั้งโลกทั้งจักรวาลยุคกิดตเกียบของมาที่ไหนมาก่อนใครที่จะเตะเกียของเราไปปิดมันจะคืนเรจะเป็นมองว่าเข้าไปตะเกียของอวนึ่หลักคื่ ทำไมจดับของขาจึดับก็ยอมสุของขาจ็ดับก็ยอมสุดของข้าจึงดับก็ยอมสุดเอของเราว่ามันไม่สุดได้ก็ดีตเกียเราเราไม่สุดไปก็ไม่ได้เนีมองที่ต่เกียบของเราแล้วเร่งจิตคิดเราปฏิบัติเได้ปฏิบัติเองดูแลอยู่ได้ทั้งหมดไม่ว่าติดใจติได้ต้านใเราคิดเงได้คำสารครูบาอาจารย์จะคิดได้ของสเเจ้าิส่ได้คำสารเราไคยได้ความรู้จะที่อารมณ์เราคิดได้ กคิดไมได้ทัจากรเรากมีสอทธิในเที่ยงปิบัติเห็นอย่างนี้แหละเองครับตอนนี้จะความคิดมาที่มาเยอะแต่เาแต่ลเามากๆไม่คิดมากมาเลยสักจากไม่เอาเลยสักจักรนั่นแหละที่ตึงได้ที่ดมนะครับบางคจะต้องไปตัดกั